การปฏิบัติถึงข่าวเด็ดมันต้องได้เด็ดถึงขถึง่าวเสียกขาดต้องเสียบขาดมันเป็นไปในในจิตเองถึงขาวจะอารมก็ต้องอารมณ์ถึงขาวจะผ่อนผันท่านยาวไปตามเหตุตามการตามชาติตามขันมันก็มีอถึงข่าวที่จะหมุนติ้วไปตามอัดตามทำโดยไข่ยเยื่ยมมันก็มีอะไรอะไรจะ สลายแปลงหายเข้าไปเถอะมาจิตกับธรรมจะสลายกันไม่ได้อย่างนี้มันก็ไม่มการกปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเราจะเอาแบบเดียวมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียวที่เดียวไม่ใช่ประเภทเดียวประเภ ท, ทคือคนลงอย่างหนักมือก็มีประเภทคือควรจะ ความฝันตาไปตามมันก็ตามการตามสมัยหรือวาตามเกี่ยวเรื่อนเดินองขันึรื่ ง, รงกำลังทางของส่วนมันก็ไม่ถ้งขัวที่จะทุ่มลงหมดไม่มีเหลือเลยมันก็มีเมื่อถึงขั้วเชนั้นแล้วอะไรจะเหลืออยู่ไม่ได้มันทาบอกในจิตเองเอาเอาทุ่มลงให้หมดน่ะให้ลงหมดแม้ที่สุดจนกระทั่งว่าจิตเอาจิตจนับไปด้วยการพิษ ด้วยการพิจารณาในสิ่งขั้าที่เห็นว่าดับไปดับไปก็ให้รู้ว่าจิตมีมันดับจนไม่มีอะไรเหลือเป็นความรู้อยู่เลยในในร่างของเหล่านี้ก็ให้มันรู้นั่ น, นถึงถึงค่าวที่จิตมันจะล้างล้างโลกออกจากใจเหนือโลกคือขี้เหล็กสมมตุติทั้งปวงที่มันแท้สิ้นพาจิตใจร่วมมันเป็น กองยิ่งกว่าภูเขาเนี่งกว่าตามอยู่ายในจิตเยอะกว่าสงครามล้างโลกถึงขาวที่จะล้างทั้งหมดเขาจนขนาดนั้นนะจนล้างไปจนกระทา่งกิตจะไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวมันไปด้วยการเอีะที่เรศมันก็ดับไปดับไปดับไปกิตที่รู้นี้มันก็จะดับไปด้วยเพราะถูกทําลายด้วยสติปัญญาก็เอาให้มันเห็นว่ามันต้องเสียดายแล้วหาความจริงอ้าวมันดับลงไปให้รู้ว่าเป็นความจริงอันหนึ่ง ถ้าว่าความรู้ยังมีอยู่ถ้าไมนมีก็ให้มันเห็นทําไมพระพุทธเจ้าตรัสรูสร้ไม่ได้ดับไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทาไมยังเหลื อ, อยู่ในโลกสาวกอราหารันอราหารันท่านบําเพ็ญได้บรรลุธรรมอะไรๆสิ้นสุดดับศูนไปหมดภ า, ายในจิตใจแต่ทําไมคําว่าบริสุทธิ์จึงไม่ดับเหตุใดที่นี้เราทั้งพื้จะมาดับทั้งจิตของเราด้วยหาความบริสุทธิ์ไม่เจอเลยเพราะได้ ทำใ่าจิตใจลงไปจักระทั่งดับไปซะหมดทั้งจิตก็ดับไปด้วยก็ให้มันเห็นถ้ามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมคุ้นเจ้าจิตก็ให้มันเห็นแต่จะไม่แหวกถ้าลงขนาด น, นั้นแล้วจะไม่แวกมันจะเห็นเพียงอย่างพัดเลยอะไรจะเป็นหนักยิ่งกว่าการสู้รบกับกิเลสอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่า กิเลสทับจิตใจมันไม่มีใโลกความโกรธเป็นกิเหล็กประเภทหนึ่งความโลภความหลงเป็นจิเลสแต่และประเภทประเภทมันทับผมจิตใจมันเป็นปืนเป็นไฟเผงใจเราไม่เหลือจะพึ่งยิ่งกว่านี้ห้วย ก, การแก้ความโกรธด้วยอุบายต่างๆการแก้ความโลภความหลงด้วยอุบายต่างๆ มันก็ต้องได้ทำหนักมือต้องเป็นทุกข์ด้วยการกระทำเหมือนกันที่เละทับผมเราเป็นทุกข์แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้กับทิ่เละเป็นทุกข์แต่ได้รับผลประโยชน์คือที่เละสลายตัวลงไปโดยลําดับงๆสุดท้ายจงที่เละก็มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการทุกข์การท้าสู้กับทิ่เละที่เป็นทุกข์ หรือเราเป็นทุกข์เพราะการสู้กับวิเลศผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขอย่างมั้นคาดในฝันเราต้องเทียบเสียมเหตุผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สอบแสวงหางเหตุขอควรตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของกิเลศจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามตอสอง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 ในดวงใจหาความสุขไม่ได้เลยรุ้บายวิถีแก้จะของนี่ของแกเแล้วปก็ติตของจิตถ้าเราเสริมเท่าไรคอยไปตามเท่าไรมันยื่งจะคิกกะปุ่มทั้งแต่เรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนมุ่นมาแต่ตนเรื่อยนั่งอยู่ก็เป็นทุกนอนอยู่ก็เป็นทุกอยู่ที่ไหนไมีแต่ความทุกขอ์หาความสุขไม่ได้เพราะจิตเป็นเป็นไฟทั้งกองดังนั้นการแก้จิงแก้ลงที่จุดนี้น อการระงับการแก้ไขาการเพื่อุบายปัญญาถึงหนักบ้างเบาบ้างทุกบ้างลําบากขนาดไหนก็ตามอยอมสู้เพื่อให้จิตได้ค้นจากภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประเภทที่ไม่ดีนั้น ไ, ได้รับความตุดขึ้นมาโดยตลอดเราต้องยอมเราต้องสู้ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้น เป็นผู้รักตนไม่ปล่อยอะไรให้เขามาเผาลุ่นเลยปล่อยเอาวันนั่ง ค, คําคุยนังลุ่แล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นตามลักธากำเหมืนก็เป็นเรื่องนักธากรำไปเลยหาสาระภ า, ายในจิตใจเลยไม่มีสุดท้ายก็หาความหมายในตัวไม่มีการแก้ตัวเองนั้นเพื่อหาสาระเพื่อเพื่อหาความหมายเพื่อพบความหมาย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 เพียงเราไม่สู้แล้วเขาจะถอยเขาไม่ได้ถอยยิ่งเหยียบย่าทํำลายลงหนักมือเขาโดยลงหนักถ้าเรามีทางต่อสู้มีทางแก้ไขแล้วอันนั้นมันก็เบาลงอะไรที่เกิดคุณคิด ข, ขึ้นมาเห็นว่าเป็นทางไม่ดีเรารี้อแก้มันก็มีทางกําเนิดก่อไปได้เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับอยู่ภายของจิตใจก็คือเรื่องของสิตเละ ความรู่ความโขวความหลงความรักความทังมันเป็นภัยเราให้รู้มันเราแก้มันเราจะจับค้นไปไม่ได้ก็ตามทานมีสิ่งแก้ไขกันมันก็พอท่า ง, งานกันไปไดนไหมอันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นยาแก้เป็นยาถอนพิษเย็นมันก็พอสู้กันไปได้ อนนีจะพมิมัน่มยาเลยมันก็แย่สังสมกับพิษขึ้นภนาจิตใจหายนี่วิวายแก้ไขไม่มีเลยอันนี้มันก็แย่เราต้องทหนิ้เรามากน้อยเปยนไงความตําหนิเขาไม่เกิดประโยชน์ถ้าตําหนิไม่แก้มันไม่เกิดประโยชน์เราต้องแก้เพราะเราเป็นคนทั้งคนจิตทั้งดวงมีสานะเป็นตัว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 การภาวนาในท่านเริ่มแรกมันก็ต้องลำบากการกระทําทางกายมันก็ไม่ถนัดถึงการนั่งเคยนั่งอย่างนั้นเคยนั่งใจอย่างนี้เราจะฝืนมานั่งอย่า ง, น, างนั้นในเบื้องต้นมันก็ต้องลำบากแต่ต่อไปมันก็ค่อยเป็นไปเพราะการฝึก การเดินก็เหมือนกันโยนข้าปการฝึกจิตนี่สสำคัญเพราะจิตเราไม่เคยฝึกเคยปล่อยตามยะถากรรมมันมาตั้งแต่ไหนแต่ะะไรตั้งแต่วันเกิดพูดง่ายๆแล้วเราจะมาหากักห้ามเอาให้ได้อย่างใจเราในวันหนึ่งขณะเดียวมันเ็นไปไม่ได้เราเริ่มฝึกก็คือเริ่มจะเริ่มหกักห้ามอิดใจได้บ้างเสียบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่ม ทันลมเนีดยคือยยังไม่สามารถอ้าวเราปล่อยไปนะ เ, เมื่อมันหนัก้ามันจริงๆเราก็ปล่อยอันลมไปตามก่อนแต่หาทางที่จะแก้ไขมัน อ, อนน ย, จจยู่เสมอภายในจิตใจเพราะกาลังเรายังไม่พอจะไม่จะไม่ปล่อยก็จะสู้เขาได้ยังไงก็ต้องยอมก่อนอความทาความเข้าใจเอาไว้แล้วค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆฝึกเข้าไปเรื่อยๆ วิธีการต่างๆอวทุกบ้างทนเอาบ้างเป็นารไปเราเคยทนทำไมในโลกนี้เกิดขึ้นมาใครต้องไปเจอทุกคนเรื่องทุกเราะทนได้เราก็พอทนได้แต่เวลาเราจะทนบ้างในเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจที่รับความทุกข์ต่างๆนั้นเราทำไมจะทนไม่ได้ถึงที่ควรจะทนได้มันยังมี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 เฉยอยู่มันไม่มีทุกข์มังเป็นไปไม่ดนด้มันต้องมีทุกข์เราก็ยอมรับรว่ามันมีเพราะการทํางานแต่ทุกข์เพราะการทํางานนี้มันเกิดผลมันจะทุกข์เฉยเี่ยโรคเกิดขึ้นภายในกายของเราเป็นความทุกข์ความลําบากมันก็ไม่เกิดผลอะไรถ้าเราไม่พิจารณาให้เกิดผลถ้าเราพิจารณาให้เกิดผลด้วยอุบายปัญญาต่างๆทุกข์นี้มันก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาของเราให้แหลมคมได้แล้วเกิดผลเป็นความสงบสุข เป็นความรู้เท่าทันกันต่อยความกังวลกันได้เลยแบบเพราะทราบความจริงด้วยการพิจารณานี่ก็เป็นผลเราจะทําให้เกิดผลมันเกิดได้อย่างนั้นทำไมทํามันเกิดไม่ได้แหละเรื่องที่ว่าจะทําอะไรลงไปกลัวจะลำบากกลัวจะทุกข์หาแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายจากตัวเองนี้มันเคยเป็นมาแล้วขออย่าให้มารบกวนเรามากมายนักเลย ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นของดีแล้วมันจะมีอะไรมาท้านทานมาฝืนเราไม่อยากจะให้ทํานี่คืออุบายของเรื่องของอิเลตที่เคยเหนือหัวใจเรามานานแล้วให้เราทราบมันจะบ้างว่า น, นี่คือเรื่องฝ่ายต่ํามันจะมาเหยียบย่ำทําลายเราจะมาอยู่เหนือจิตใจของเราควรจะถลักมันออกไปก็ผลักบ้างควรจะต่อสู้หรือ ว, วิธีใดก็ต่อสู้บ้างเอาแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรเมื่อมีการต่อสู้อยู่แสดงว่า ยังไม่ตายใจกับเขาทีเยียวต้องฝืนกันบ้างอย่างนี้ฝืนไปฝืนมาความฝืนก็ค่อยๆชิงขึ้นมาอุบายทางการฝืนที่จะสนับสนุนในการฝืนมันก็มีขึ้นมาต่อไปมันก็ทันกันไปเองอย่า ล, ลืมคำว่าพุทธังสนังกระฉามที่เคยแสดงแล้วถ้าพรดพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่เป็นผู้ ร่างมือควายเปิดฮะถ้าหลบสไหดยฟังูคนไม่ทุกข์จะสลบสไหดหรือมีความลำบากลำบนแค่ไหนนั่นแะการทำงานเป็นอย่างไรเป็นขติตัวอย่างได้ทุกพรออาการที่พระองค์สแสดงออกมาเราในฐานะพุทธบริษัไม่ได้กามพระพุทธเจ้าทุกทุกกระเบียดก็ตาม ได้แบบสึกมีครูก็ยังดีหรือถ้าเป็นคตัวอย่างทั้งการบำเพ็ญทั้งการยึดถือฝาปเป็นฝาตายในองค์พุทธะคือพระพุทธเจ้าครูบริุทาดีเหมือนเราจิเลตเป็นครูสัอย่างดีอะถ้าเดียวยังเห็นจิเลตเป็นไทยบ้างครูนั้นยังมีทางที่จะพ้นไปได้ถ้าเห็นว่ากิเลตกับเราเป็นอันเดียวกันด้วยเรื่องของจิเลตไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของจิเลต เ, เ, เ, เ, เป็นเรื่องเราจะต้อง มันก็หาทางแก้มาได้เพราะมันจะกระเทือนคําว่าเราซึ่งคือมันเป็นฆาตศึกต่อเราที่จะให้เรีรับความทุกข์ความลําบากนั้นเราเห็นว่าเป็นพิเลรเราก็พิเรก็เป็นฆาตศึกกันก็ต้องต่อสู้กันนี่ยถ้า ม, มีการต่อสู้กันก็แสดงว่าเป็นคนลกคนไม่ใช่เป็นอันเดียวก่านเสียจนหมดเนื่อหมดตัวเราเพียงพอมีสติบ้างนี่แหละความที่พอมีสตินี่แหละเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ ความคิดในแง่ ต, ต่างๆที่อย่าน้อยไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษแก่อบายปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเหลนั้นนี่คืออุบายของสติ ป, ปัญญาท่านคิดท่นอย่างนี้ทุก็ยอมรบับการทํา ง, งานต้องทุ ก, ทกขเพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาะที่เราสู้สู้ไดขนาดไหนเราสู้กันไปกันไปทํากันไป พากื้งกันไปบึกบึนกันไปสมกับเราเลือเขา้าเหมาะสมกับผู้ตะเกียบตะกายเพื่อความพ้นจากทุกเพื่อเพื่อความเห็นทุกมีเป็นทางเดินของนักกาชท่านเคยตะเกียบตะกายมาแล้วก่อนที่ทา่านจะหลุดพ้นวุน่นวายกั เป็นผู้ตะเกียบต ก, กายมาด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดจะมาล้างมือเปื้อนเพราะเราคนเดียวซึ่งเป็นลูกสิษย์ของครูแล้วแวกแนวยุ่งกับครูอย่างเหลือมักครูมีความทุกข์ลูกสิษย์เราก็ลูกสิษย์ก็ต้องมีความทุกข์บ้างไม่มากเพานอนต้องเดินตามครูร่องรอยท่านเดินอย่างนั้นเราจะหนีจากร่องรอยท่านไม่ได้กต้องยอมรับในเรื่องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตบโดยชอบทำ ทุกข้อการงานยไม่สําคัญเท่าไหร่นักแต่ทุกเวลามันจะตายนี่สิใครจะช่วยเราได้อทุกในเวลาทํางานท่านมันทุกข์มากๆเรายังพักผ่อนงานได้ความทุกขง์งานก็ระนักไปใครจะสู้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเราผ่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงรเราหยุด ความทุกข์มันก็ดับคือเรานั่งนานมันเป็นทุกข์เราหลุดไปก่อนทั้งนี้ทุกข์นั้นมันก็ดับไปนี่อันนี้มันพอระงับได้แต่ทุกเวลาจะตายนั้นละ่ะมันระงับได้ไหมละ่ะสมมติวันนอนอยู่มันทุกข์ทุกข์หมดทั้งตัวเลยถ้ะ น, นอนแล้วลุกขึ้นนั่งมันจะหายไหมมันก็ไม่หาย เดินมันจะเดินมันจะหายแล้วมันก็ไม่หายอาการใดมันก็ไม่หายฉะนั้นเอียบทั้งสีเอามาต่อสู้หรือเอามาใช้กับความทุกข์ในขณะที่จะตายนั้นไม่ได้ผลทั้งนั้นงั่นเราเอานี่มาเทียบบ้างนี่ยเหมือเวลาเรานั่งเรานั่งนานดืนนานเดินนานรือต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะที่มันเจ็บมันปวดขึ้นตอนที่เรานั่ง ทุกเวทนาที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจนารณาเนี่ยจะเกิดขึ้นมากน้อยถ้าสู้ไม่ไหวเราถอยได้นี่อันหนึ่งเป็นข้อเทียบเสียมในขณะที่เราจะตายทุกเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเราถอยไม่ได้ถอยหายยา บ, บุตรใดก็เป็นไฟไปได้วยกันอันไหนที่มีน้ําหนักมากกว่ากันในสองอย่างนี้มาเทียบกันดู เรายังจะทนขึ้นดูขนาดที่ว่าสู้ไม่ไหวยังยังทนจนมาทั่งตายอันนี้ยังพอสู้ไหวอยู่แล้วยังพอถอยได้ทําไมเราจะทำมาได้ขึ้นดูเรามาเทียบตรงนี้ความขยันความบึกบึนความมีแจ่ใจความอาถารพ์มันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเรียกว่อุบายปัญญาอันหนึ่งเวลาจิตมันท้อถอยเอาอุบายปัญญานี้มาใช้ มันก็หนุนขึ้นมาให้เกิดความก้าหารไม่สะทกสะทานต่อสู้กันได้ใครชนะอาจจะนดำลำดับในขณะนั้นก็มีง่ายมีหลวอุท่านเรียกว่าอุบายปัญญาคิดดูให้ดีเรื่องเวลาจะตายมันมันเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกรายไม่มีใครข้อยกเว้นในยาบททั้งสี่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการผ่อนคลาย พื้นดอ้งความทุกเวทนาซึ่งจะซึ่งซึ่งจะแสดงขึ้นในเวลาตานั้นมันไม่ได้ผลทั้งนั้นเลยมีแต่จะแตกท่าเดียวมีแต่ทุกท่าเดียวจนกระทั่งถึงแตกไปเลยเอาขณะที่เราจะสู้นี้ทําไมจะสู้กันไม่ได้มันไม่แตกนี่มันสู้ไปได้กินเราคอยไ ด, ได้นี่อันหนึ่ง น, นี่พอฟัดพอเหี่ยงกันไปอุบายปัญญาอย่างนี้ใั้เราคิด เาขณะที่มันจะตายเอาอะไรจะตายก็ตายไปเถอะเรื่องสติปัญญาได้แหลมคมเต็มที่แล้วภาณในจิตใจได้รักษาดวงใจนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีทุกขเวทนาตัวใดที่จะเข้ามาเหยียบย่มทำลายจิตใจนี้ให้เสียไปได้นี่เรียกว่าแน่ใจเต็มที่ทุกเกิดขึ้นทุกก็ดับไปไม่มีอะไรดับนอกจากทุกที่เกิดขึ้นเท่านั้นดับไปนั่น คือทุกเวทานาที่เกิดขึ้นภายในกายมีกายที่เป็นตัวเกิดนี้เท่านั้นเป็นผุกเป็นผู้จะดับเป็นผู้จะสลายไม่มีอะไดสลายนอกจากสิ่งที่ผสมกันนี้จะสลายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น น, นั่นจิตไม่มีอะไรจะผสมนอกจากที่เลสเท่านั้นมาผสมจิตที่เลสเป็นสิ่งที่ดับไปได้แต่จิตล้วนๆดับไม่ได้ น, นั่นแล้วจิตจะดับไปไหนอะไรจะสลายจะสลายไปใช้ยด้มันอะไร ความเสดายเป็นความเย่อหญ่เป็นเรื่องกดทวงจิตใจอีกเหมือนกันความเสียดายนั้นคือความสูญคติธรรมนาแห่งหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์จะตั้งอยู่เป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์จะดับไปก็เป็นเรื่องของทุกข์เราเป็นผู้รู้ทั้งที่ทุกข์ตั้งขึ้นทั้งที่ทุกขเกิดขึ้นทั้งที่ทุกข์ตั้งอยู่ทั้งที่ทุกข์ดับไปธรรมชาติที่เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้เกิดผู้ดับ แล้วจะกลัวความเกิดความดาบับกลัวความร่มองความจมภายในจิตอย่างไรกันเนอมันจะจมไปไหนเราพิจารณาเหล่านี้พิจารณาเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของเราเพื่อให้จิตใจได้เห็นธาตุรู้ธาตุตามความจริงแล้วจิตใจจะล่มจมไปที่ไหนถึงตัวนักหนาในขณะนหนตายเนี่ยมันหลอกกันได้เถื่นเนี่ยตามความเข้าใจของท่านของเราทัพพูทิง้ทงว่าหลอกกันนะแต่ไม่มีใครจะเจีตนาว่าหลอกว่าตายตายตายเนี่ย โลกของสมมติธรรมาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วอ้ยมันหลอกทันนานมันไม่มีอะไรตายถ้าตสีดินน้นลงไปสลานไนแล้วก็ไปอยู่ธาตุเดิมของเขาแหนะจิตผู้ถือตัวตายก็มันยิ่งเด่นมันไม่ตายนี่เห็นชัดๆอย่างนี้มันอะไรมันจะตายอะไรจะสาเหตุที่ให้จิตตายมันไม่มีเห็นชัดๆอยูว่าไม่มีแน่มันยิ่งเด่นผู้ที่พิจารณาสิ่งทั้งหลาย่ผู้รู้สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเด่นเอะ นี่แล้วไม่ห่วงจะไรจะไป้าไปถึงแาวแล้วไปตามการตามข่าวผู้ที่รู้ก็รู้ตามเหตุตามผลไม่ถอยในเรื่องรู้ไงผู้ที่สลายสลายไปไม่อะไรไม่เสียดายไม่ห่วงห่วงทำไมมันหนักยึดไว้ทำไมสิ่งเหล่านี้หนักการรู้ตามประจิมปล่อยวางไว้ตามสภาพของมนนั้นแหละคือความจริงไม่ต้องกังวล ถึงอูไปมันก็จะตายอย่างนี้อยู่เพื่อตายเนี่ยดูเพื่อแตกเนี่ยเวลานี้พิจารณาให้เห็นความแตกดับเสี้ยบปอนตั้งแต่ยังไม่แตกนี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับผู้มีปัญญานะเฮียคือขั้นสําคัญสาคัดผู้พิจารณาเช่นนี้จะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเห็นชาตุตามเป็นจริงทั้งที่ว่าเวทนามันอะไรก็เวทนามันเป็นเราเมื่อไหร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 ต้องให้ทราบทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้ทราบว่าทุกมันเกิดขึ้นมากก็าตามน้อย ก, ก็าตามคือเรื่องของทุกนะมันตั้งอยู่ก็คือเรื่องของทุกมันดับไปก็คือเรื่องของทุกเราผู้ทั้งเกิดทั้งทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของความรู้นี่เอากายเหมือนกันเมตนาสัญญาจำได้แล้วมันดับจำได้แล้วมันดับ เราเห็นไหมมันเกิดมันดับอี่งนั้นเป็นเราได้ยังไงเอาความแน่นอนกับมันที่ไหนท่านยิงเรียกว่าสัญญาอิจฉาท่านญาตาสังขารปรุงดีปรุงชั่วปรุงเท่าไรมันดับเพราะไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราจะเอาเราเข้าไปสู่สังขารเราเกินดับบันยั่งค่ําหาความสุขไม่ได้เลยนั่นยึ่งญานมันกระทบทางตาทางหูทางจยูกทางนิ้วทางกายกระทบเมื่อไรมันลู้รูู้ดับดับดับดัดับไปพร้อมๆอมกันทั้งขณะที่เกิดที่ดับมัน ขึ้นในขณะเดียวกันเล่าว่าจะเกิดดับเกิดดับดับอยู่ตรงนั้นเราหาความแน่นอนเชี่ยงตรงได้อย่างไรนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่า น, นี้จึงเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละคือใจอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่ตายตัวขอให้รู้สิ่งภายนอกอันจำปรมทั้งหลายนี้ว่าเป็นสภาพอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นจิตนี้จะตั้งตัวได้อย่างตรงแนวไม่วันไหวอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่วันไหวไม่เกิดขึ้นก็ไม่วันไหว จะนักไปก็ไม่มีอะไรหวั่นไหวเพราะจิตรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการที่อาศัยกันอยู่และรู้ทั้งตัวจริงคือ่ธรรมชาติของจิตแท้ว่าเป็นตัวของตัวแท้ด้วยความบรู้สึกใจด้วยปัญญาที่ทักบว่าด้วยดีแล้วผู้นี้เป็นผู้แน่นอนนี่ละ่ะท่านผู้แน่นอนคือท่านผู้ที่รู้ธรรมชาติที่แน่นอนและรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายตามความเป็นจริงปล่อยวางฉนัดปัดทิ้งออกตามส่วนของมัน ส่วนไหนที่จริงถ้าอยู่ตามธรรมชาติของความจริงของตนมีจิตเป็นต้นนี่นี่หลักความจริงนี่หลักวิชาที่เรียนมาเพื่อป้องกันตัวเพื่อรักษาตัวเพื่อความพ้นภัยเพื่อปลกเครื่องทุกข์ทั้งหลายออกจากตัวนี่คือหลักวิชาแท้เรียนธรรมะเรียนอย่างนี้เรียนเรื่องของตัวเองเรืยอเรื่องความรู้ความคิดต่าง เรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณอันเป็นอาการห้าอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตนถึงกับว่าเป็นตนของตนนี้ให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกอาการแล้วปล่อยวางไว้ตารสภาพหนัอาการของมันนี่เรียกว่าเรียนเรียกว่าปฏิบัติเรียกว่ารู้รู้แั้วละถอนเนี่ยถ้ารู้จริงแล้วต้องละต้องถอนเมื่อละถอนแล้วความหนักที่มันเคยเกิระทบจิตใจของเรา เนื่องมาจากอวทานมันก็หมดไปหมดไปน่ะเยาวกิตพ้นแล้วจากโทษคือความจองจําตนเองจากความน้าพันทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จองจำเป็นผู้พ้นพ้นอย่างนี้แหละที่ว่าจิตอยู่พ้นไม่ได้โดดหอหอเหอินโดนฟ้าเปนไปที่ไหนพ้นที่มันตรงที่มันคล้องนั่นแหละที่มันถูกจองจำนั่นแหละมไม่ได้พ้นที่ไหนรู้ที่มันหลงนั่นแหละ สว่างที่มันมืดนั่นเองนี่ติดสว่างสว่างที่ตรงที่มืดคือมือดมนอนตการมือดอยู่ภายในตัวเองเวลาพิจารณาปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นเกิดขึ้นซองแสงซองแสงซองแ ส, ง ส, ง, สงสว่างให้เห็นตามความปรินในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนทราบว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยลําดับลําดับลาดับนี่สลัดออกได้โดยลําดับลําดับความสว่างรอบตัวปล่อยได้หมด ทำโมปีโปจะหมายถึงอะไรถ้าไมหมายถึงจิตดวงที่สว่างรอบตัวไม่มีอะไรเข้าไปเจอปือผลเลยนี้จะหมายถึงอะไรนี่แหละท่านเรียกว่าทำแท้ทำแท้ที่เป็นสมบัติแท้ของเราหมายถึงนี้เป็นสมบัติของเราแท้เรียนในกัมพีเรียนมากเท่าไรก็เป็นความจําเป็นสมบัติของบุรุษเจ้าที่ประทานไว้าตามตำหรักตำหเราเรียนจำเท่าไรก็มีแต่ความจําไม่ใช่เป็นหลวงตัวแท้เอาความจํานั้น เราเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงจรากฏขึ้นเป็นธรรมโมปริปูเฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้เป็นสมบัติของเราแท้นี่แหละคือสมบัติของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้คือประธานศาสนาไว้ให้รู้จริงเห็นจริงตามนี้สันทิจโกไม่ได้ผูกขาผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองถึงเองปัจจังเวริสบุเวินยูท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพราะตนคือหมายถึงว่ารู้อย่างนี้แหละนี่เป็นผลของการปฏิบัติ เมื่อได้เกิดผลเต็มพี่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธอเอีแสนสมัยหมดกังวลโลกจะมีมากมีน้อยเพียงไรวุ่นวายในขณะนี้ก็ตามผู้นี้ไม่วุ่นเพราะผู้นี้ไม่เป็นโลกผู้นี้ไม่หลงอืเรื่องโลกมันยิ่งเป็นอาการกว้างขวางมากมายไกลจากตัวของเราไปเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็คือขันห้ากับจิตนี่แหละมันเกี่ยวข้องกันจนจะแยกกันไม่ออก แต่นี้เรายังสามารถแย้ออกทําไมเราจะไปหลงเรื่องของโลกไกลๆน อ, เ อ, อเนเนี่การปฏิมาผลเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นให้ผิดขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาปัญญาหูงต้มกินไม่ได้ใช้ที่จะแก้ที่เละใช้ที่เละแก้ของมงงกับของเท่านั้นให้พิจารณากันเรียนตรงนี้อเรียนทำอย่าไปเรียนที่อื่นให้มากมาจ่ายกองโทษทุกอยู่ตรงนี้โทษไทยมันอยู่ตรงนี้ แก้คงนี่แล้วคุณพลาอันสาคัญสคัก็เกิ ด, ดขึ้นอีกอานะการแสดงธรรมขอเห้เหมาสมควร